แล้วยังมีดอกดอกแขมดอกย่าแซมขึ้นเป็นจุดๆแมสสวยมากเลยแล้วก็มีเบื้องหลังยังมีดอกลำไยขึ้นเป็นแบ็กกล่าวด้วยลมก็พัดอ่อนๆแล้วก็มีนกบินมากินเมล็ดมันสองําตัวคือ น, นี่กำลังเพ่งในนิมิตอนุพยัญชนะนะครับมา่ว่าโลภะเอาไปกินแล้ว นี่เป็นมนโนทุจริตนะเป็นมนโนทุจริตแล้วนะเอ๊ะทำยังไงเราจึงจะโยนน้สสุนมนัิการยังไงดีผมนึกในใจนะครับก็นึกถึงพระสูตรที่ที่พระองค์หนึ่งที่ไปเห็นนางรำในเมืองแล้วก็อุทานว่าเออนี่เป็นกับดักของมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไว้ อืมอเพราะดีนะนี่เป็นกับดักของธรรมชาติอันกับดักของมัจจุราชอันธรรมชาติมันดักไวนะก็หมายความว่าตั้หาเอาไปกินแล้วเมื่อตั้หาเอาเอาไปเอาเอาไปกินแล้วนี่ก็หมายความว่านําไปสู่ชาตินะ่พะพอหลังจากชาติแล้วคงไม่ต้องสงสัยนะครับว่ามันจะตามมาด้วยอะไร ฉลามลณะโสกาปริเทวทุกากาโทมนัสะอุปายาสะโอ้โหยาวเหยียดเลยเนเพราะฉะนั้นก็นึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงสูตรนี้ขึ้นมาเออจริงนะมันเป็นกับดักนะมันเป็นบ่วงแห่งมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไวเออจริงๆมันเป็นบ่วงจริงๆเลยที่มันคลองเราไว้ลโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยเนเพราะฉะนั้นลองดูสิว่าเออถ้าเราจะตึก เป็นในเรื่องของวิปัสสนาลองตึกยังไงบ้างนะก็ลองตึกดูว่าเพราะอาศัยสีนะพออาศัยรูปกับจักขุจึงเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นเกิดขึ้นการเห็นนี้ต้องอาศัยรูปารมณ์นนี้เป็นปัจจัยจึงเกิดขึ้นอาศัยตาเป็นวัตถุ การเห็นจึงเกิดขึ้นอาศัยแสงสีอาศัยความสว่างเป็นประตูเป็นอุบัิเชื่ปัจจัยจึงทําให้จิตเห็นเกิดขึ้นอาศัยกรรมส่งผลมานานนักขัิกะกรรมส่งผลมาจึงเกิดการเห็นขึ้นก็อย่างดีครับคือว่า ไล่ไปแล้วก็ยังไล่ไปถึงผัสสะเวทนานู่นแหละครับถ้าเกิดว่าถึงอุปาทานแล้วก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องเรื่องพบคือการจะทํากรรมถ้าไปชมว่าดอกได้นี่สวยเหลือเกินนั่นวัตจีทุจริตเอาไปกินอีกแล้วถ้าไปจับจับมันไปเด็ดมันนี่เป็นกายทุจริตแล้วสุจริตสามหามีไม่ด้วยประการรศชนี สติปทานอย่าอย่าป่วยกล่าวไปยายว่าจะเกิดเห็นดอกไม้น่ะนะโูการก็นึกถึงอะไรนะบ่วงของมัจจุราชนะที่ธรรมชาติดักไว้แต่ก็ยังชอบนางวิสาขาอยู่นางวิสาขากล่าวถึงนางวิสาขานี่เป็นคนที่มีบุญมากนนะ เมื่อมีบุญมากเนี่ยเครื่องประดับของนางอย่างเดียวเนี่ยสร้างวัดได้วัดหนึ่งเรียกว่าวัดบุพารามนะนะเครื่องประเครื่องประดับเนี่ยวัดบุพภาบุพาเนี่ยแปลว่ามวลมวลบุพพามวลดอกไม้เครื่องประดับเนี่ยสร้างวัดได้เลยแล้วก็นางวิสาขานั้นก็สร้างวัดนับว่าเป็นอุบาสิกาที่ที่ทำบุญมากที่สุดเนี่ยนะบริจาคทานมากที่สุด ในพระพุทธศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นี้นะ <c oughs> นนตอนตอนหลังเนี่ยเมื่อนางปรารภถึงบุญกุศลเมื่อเมื่อนางได้ทำเต็มที่แล้วเนี่ยตอนที่นางอายุมากๆแล้วปรารภถึงบุญกุศลที่นางได้ทำไปนางก็ปราบปลืม้มดีใจร้องเป็นเพลงเลยพิกูุนนี่งงเลยไม่เคยเป็นเอาขนาดนี้เลยเหมือนกัน ไม่เคยเป็นเอามากขนาดนี้เลย <c oughs> ก็เลยว่าอจิตวิปลาดไปหรือเปล่าเนี่ยนะคือคือไม่เคยเห็นว่าร้องเพลงร้องเป็นเพลงเป็นกรอนมาโยายาอะไรเงี้ยนะพระองค์ก <reservoir> ็กล่าวถึงว่านางวิสาขานั้นความปรารถนาของนางนี่สําเร็จแล้วเพราะนางตั้งความปรารถนาที่จะทําแบบนี้มาแสนกับนะเมื่อสมความปรารถนานั้นก็มีความบันเทิงรื่นเริงใจเนี่ยนะเคยเคยทำอะไรแล้วรู้สึกมีความสุขที่สุดไหม เมื่อทำสิ่งนั้นเหมือกับที่ต้องการไม่นานๆเนี่ยได้สำเร็จแล้วหรือว่าที่ว่าพระโพธิสัตว์บางท่านนะก็กล่าวว่าโอ้ดีใจมากที่ได้บวชวันั้นปื้มใจอยู่ตั้งเจ็ดวั น, นหลังจากนั้นไม่เคยคิดจะ ก, กระบวตอยู่อีกเลยเข้ามี่ยมีชาดกไปเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากนั้นไม่เคยยินดีในการบวตอีกเลยลเข้า่เาเขาบอกแต่ไม่ตึกอะอยู่งั้น ก็บอกว่าด้วยสัตว์จัวาจานี่นะ่เอามาเป็นวาจาศัตว์ด้วยนะ <c oughs> นางวิสาขานั้น น, นะอาศัยเป็นคนที่มีทรัพย์มากอาศัยทรัพย์เหล่านั้นก็มาทํากุศลอย่างมาก <c oughs> พระองค์ก็อาศัยเหตุนี้แหละพระองค์ก็เลยตรัสว่ายาทาปิปุภะราสิมหากยิรามาลาคุเลพหูเอวังชาเตนะมัจเจนะกัตตพังกุสลังภูงังนั้นอามัจะสัต ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพไไนายนมาลาการผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้เนี่ยนะจากกองดอกไม้ใหญ่มาร้อยเป็นพวงมาลัยได้ฉันใดบ้างนั้นมาลาการผู้ฉลาดก็จะเรียบร้อยพวงมาเลยดอกไม้ผู้การก็พอได้บ้างนะ <c oughs> บอกว่ามัจจสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพเกิดมาแล้วควรทํากุศลให้มากฉะนั้น นางวิสาขาเป็นผู้ที่ยินดีในกุศลค่อนข้างมากว่างั้นบางครั้งเนี่ยนางตั้งอาคารตุ ก, กาทานเป็นต้นไว้ว่าถ้าหากว่าภิกษุรูปใดถ้าเคยมาเมืองสาวัตถีก็จะต้องฉันอาคารตุกะท า, านเวลาจะเดินทางออกไปที่อื่นก็ต้องฉันคมิกรฐ า, านว่างั้นฐานของนางอันนี้ได้ตั้งเอาไว้ทีนี้ว่าเมื่อไร่ที่พระผู้มีพระภาคทรงทับ พยากรณ์ว่าพิกษซรูปนั้นเป็นผ้ารหัสสกธาคามียนาคามีแล้วก็มรณภาพหรือปริณิพานอย่างเงี้ย น, นางก็จะได้ปลื้มใจว่าต้องเคยบริโภคปัจใจสีของนางนางก็จะได้เกิดปีติปราโมทเหมั้นนางนั้นเป็นผู้ที่ยินดีในการเจริญกุศลไม่อิ่นในการทํากุศลเหมือนกับนายมาลาการผู้ฉลาดสามารถเลือกเก็บดอกไม้ซึ่งมากเพราะนางเนี่ยมีซับมากสามารถร้อยเป็นพวงมาลัยได้อย่างที่นางต้องการหมดเลย แต่บางท่านบางแห่งก็กล่าวถึงว่าบางคนก็ฉลาดในการร้อยดอกไม้แต่ไม่มีดอกไม้จะให้รอ้อยบางคนก็มีดอกไม้แต่ก็ร้อยไม่เป็นเขาบกงบอกว่าการร้อยดอกไม้ก็คือสามารถที่จะหยิบเอาทรัพย์เหล่านั้นมาเจริญกุศลได้ันบางคนนั้นสามารถรู้วิธีการเจริญกุศลแต่ไม่มีดอกไม้ให้ร้อยกับบางคนนี่ ไม่รู้วิธีทากุศลแต่ก็โหสวนดอกไม้เต็มไปหมดเลยว่างั้นที่จริงแล้วในในเรื่องของดอกไม้เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นวักวักเลยเรียกว่าปุพพวักว่างั้น <c oughs> วักว่าด้วยดอกไม้ในคาถาธรรมบทเนี่ยนะมีมีกล่าวล้ายแห่งบางคนก็เลือกเก็บดอกไม้มานยังไม่ทานอิ่มเลยตายไปแล้วธรรมะแบบนี้ก็มีเอ่อ <c oughs> <c oughs> ประวัติของอพระสาวกที่สำคัญสาคัญนะฮะที่ได้เคยทำบุญในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนเนี่ยได้ถวายดอกไม้ป่าดอกไม้อะไรซึ่งนิดหน่อยเท่านั้นเองน ะ, ะอันนี้สงนี่ประมาทไม่ได้นะครับพระองค์ก็ไม่ให้ดูถูกกุศลจิตถึงจะเล็กน้อยเนี่ยฮะถ้าหากว่าผู้ที่สามารถทำได้บ่อย กุศลนั้นก็สา ม, มารถที่จะบริบูรณ์ได้ที่ในเรื่องเศรษฐีตีนแม้อนี่ในธรรมบทก็มีแกเอานิ้วสามนิ้วนี่นะหยิบเข้าสารหยิบงาหยิบอะไรร่วมทำบุญกับเขานะอ่าเสร็จแล้วเรื่องนี้ก็รู้ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เขาบอกว่าอย่าประมาทในบุญนะท่านบุญนั้นบุคคลถึงจะเจริญมากเจริญน้อยถ้าได้เจริญบ่อยๆก็เหมือนกับภาชนะน้ำเนี่ยนะที่ไปงาย ถ้ากลางสายฝนเนี่ยนะมันก็จะเต็มได้สักสักวันอย่างนะถ้ามันตกเรื่อยๆนะนั้นการเจริญกุศลก็ลักษณะเดียวกันเธอกุศลนั้นวัตถุที่ให้มากบ้างน้อยบ้างอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวที่เป็นกุศลจริงๆเน้นที่ที่คุณภาพของของจิตที่ที่ให้ไปปณีตหรือไม่ปนีตอยู่ที่อยู่ที่สภาพจิตนะใช่ไหม อย่างพระพราชาบางท่านเนี่ยทบุญเลี้ยงพระเป็นพันๆองค์สร้างเกียต์ตั้งใหญ่โตไม่ได้ปลื้มใจเท่ากับทานข้าวถ้วยเดียวที่ทาบุญไปน ะ, อ, ะอันนั้นจะปลื้มใจค่อนข้างมากครับงั้นเพรา ะ, น, รา ะ, ะนั้นบางอย่างเนี่ยนะที่ที่ได้เคยให้ไปเนี่ยถึงไม่มีคุณค่ามากนะแต่สิ่งนั้นให้ความปราบเลืล่อมให้ความสมมนักแก่อย่างมากฉะนั้นกุศลใดที่ทาถึงวัตถุไม่มากถ้าให้ ความปลื้มใจมากอันนี้เป็นกรรมประเภทไหนรู้ไหมเป็นกรรมประเภทไหนในขรุกรรมพหุลกรรมอาจินนกรรมอาสนกรรมเนี่ยเป็นกรรมประเภทไหนที่ทําครั้งเดียวไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่านึกเมื่อไหร่แล้วมันดีใจจริงๆเลยปลื้มใจเป็นพหุลกรรมว่างั้นถือว่าเป็นกรรมที่ที่บ่อยว่างั้นกรรมที่กรรมที่มากนัะนะเทียบเทียบกับอาจินนกรรมว่างั้นเพราะว่า ให้ความปลื้มใจบ่อยบาปใดที่ทำครั้งเดียวเนี่ยแหละไม่ได้เรื่องใหญ่มากแต่ถ้าทุกมากกะสิ่งที่ทำอันนั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นพหุลกรรมเหมือนกันนะเป็นกรรมที่นับว่าเป็นกรรมมากเหมือนกันเจนพาน อดอกไม้สวยมีกลิ่นหอมเป็นโลภะอีกอนนอความประสงค์ที่จะบูชาดอกไม้นี้ให้แก่พระอรหรันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์หรือพระดูแบบรูปหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นทั้งโลภะด้วยและทั้งเป็น กุศลจิตด้วยเราจะทํำยังไงที่จะบูชาดอกไม้เห็นม่าสวยเราก็คิดว่าไม่สวยเห็นว่าหอมที่ว่าหอมเราก็เอาหน้าไปบูชาอีกทีจะได้กุศลเต็มที่การในฉลาดทำคือเอาไปก่อนนะอุปมาก่อนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทานอาหารอร่อยที่สุดในบรรดาคนกินทานอาหารเลยนะ ปาสารับรถมีเท่าไหร่พระองค์มารับหมดเลยแตะปลายลิ้นพับเนี่ยทราบซ่านทั่วสารพ า, างกายแบบนั้นแต่ว่าพระองค์นั้นได้รับการฝึกมาแล้วส่วนทีนี้เราจะเห็นว่าอารมณ์นั้นอ่ะเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาเนั่นแหละหมู่ดอกไม้เป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันเขาก็เป็นดอกอย่างนั้นของเขาแต่ว่าส่วนใหญ่มหากุศลที่เป็นโสมานัตเนี่ยนะ อารมณ์นั้นส่วนใหญ่สมมติว่าให้ทานเนี่ยทานนั้นส่วนใหญ่จะต้องปันนี้จึงจะโสมนัติว่างั้นต้องเป็นสุภานิมิตส่วนจึงจะให้โสมนัติถามว่าทําไมสุภานิมิตอันนั้นก็น่าจะเป็นโลภะทําไมจึงเป็นมากุศนเพราะความตั้งใจเนี่ยนะเพราะการเปลี่ยนใจเพราะตั้งใจที่จะเอาสิ่งนั้นเจริญกุศลไปนะจิตก็เลยเป็นเป็นกุศลเพราะความตั้งใจและโสมนัตด้วยเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเห็นแล้วดีใจเนี่ย ถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่จะพิจารณาพระธรรมชั้นสูงเนี่ยนะสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้เจริญอาซัมโมหะซัมปชัญญะได้ก็ก็ดีเนี่ยนะก็ควรตรึกอย่างนั้นมากๆปัญหาไปไปคิดว่ากลัวโลภะตอนที่จะถวายดอกไม้งามอย่างเดียวเวลาอื่นไม่ค่อยกลัวนี่ที่มันก็เลยกลายกลายเป็นว่าจะได้ไปหาดอกไม้เหี่ยวๆจะได้ไปถวายพระใช่ไหม พระท่านก็กลัวพระกิเลสจะเกิดกับดอกไม้เหียยๆนั่นแหละไปตายกันใหญ่เลยนะอันนั้นแสดงว่าเข้าจิ้งเข้าใจาผิดไปเรื่อยๆคืออารมณ์นั้นเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าดอกไม้ไม่งามแล้วก็มาคุศลจะได้เกิดไหมบางทีเป็นพยาปาทวิตตกไปอีกอ า, ากุศลวิตก <c oughs> โทสะแทนไปอีกมันก็บาปเท่ากันนั่นแหละนั่นแหละเพราะทําไม่พิจารณาอีกอุเบกานิมิต โมหะอีกเพราะั้นถามว่าควรจะทําอย่างไรนะก็ควรที่จะเปลี่ยนความคิดนั่นแหละคือทำอย่างไรที่จะมีโยนิโสเกิดขึ้นปรารบสิ่งเหล่านั้นให้เป็นอารมณปัจจัยของกุศลให้ได้เนี่ยนะอันผู้ที่ศึกษาคําสอนมา ก, ก็มีมีความสามารถที่จะเอาดอกไม้ดอกเลียวก็มาคิดให้เป็นกุศลได้ยาวมากเลยนะเนี่ยนะนะเพราะว่าสามารถที่จะตรึกต่อไปเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตรึกต่อไปเรื่องทวารต่างๆ อาศัยอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวแต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยให้คิดให้บ้างก็ยังดีเนี่ยนะถึงคือปกติของศาสต ร, ร์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะที่เป็นกุศลหายากมากเนี่ยนะนานๆครั้งเขาจึงคิดจะให้ทานสักทีหนึ่งเนี่ยนะโลภะนำหน้าน ำ, นำหลังบ้างก็งไม่เป็นไรขอให้ได้ทำบ้างเถอะเนี่ยนะคือถ้าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยนะถ้าตามภาษาของ คนอยู่ในเมืองส่วนหนึ่งก็บอกโอ้นั่นมันโลภะนั่นมันกิเลสแต่ว่าหลังจากที่มาไปหลายหายแห่งเนี่ยรู้ว่าบางคนเกิดมาไม่เคยใส่บาตรเลยเนี่ยนะครั้งเดียวเนี่ยนะด้วยด้ว ย, วยประสงค์ใดก็ช่างเถอะแทบไม่เคยใส่บาตรเลยถามโยมคนหนึ่งก็บอกว่าผมเกิดมาเนี่ยใส่บาตรประมาณสองครั้งตั้งแต่เกิดเลยนะหกสปีแล้วนะบางคนเนี่ยเกิดมาได้ฟังธรรมแค่สองชั่วโมง 5้าสิปีแล้วนะ50ิปีเนี่ยเพิ่งฟังธรรมได้สองชั่วโมงไม่รู้เข้าใจขนาดไหนไม่รู้นะเพียงแต่ว่าเออที่ที่ไปนั่งอยู่ในสถานที่ฟังธรรมเนี่ยเท่านั้นแหละมันคิดดูว่าบางคนเนี่ยทั้งชาติเขาแทบไม่มีโอกาสเจริญกุศลเลยเพราะฉะนั้นขอให้เขาได้เป็นกุศลหน่อยหนึ่งก็เอาเถอะเนี่ยนะคืออย่างน้อยที่สุดสุขคติเขาจะได้มีบ้างส่วนที่ว่าอากุศลนาหน้านาหลังแล้วค่อยไปตกแต่งกันใหม่ พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริตดีถ้าเขาราคาจริตนะกรมาฐานนี้ไปถ้าเขาโทสะจริตกรรมาฐานนี้ไปโมหจริตกรรมาฐานนี้ไปศรัทธาจริตกรรมาฐานนี้ไปวิตกจริตกรรมาฐานนี้ไปผู้ที่จริตกรรมาฐานนี้ไปไม่ต้องห่วงนะขอให้บุญมันนําเกิดแล้วอุปนิสัยบางอย่างให้ไปเกิดในสัตว์ในสุขติก่อนถ้าเขาเป็นสัตว์ที่พระพุทธเจ้าฝึกได้พระองค์ฝึกได้หมดแหะ ผมยังคิดอย่างนี้นะครับคืออย่างที่ผู้การทนัดว่าเนี่ยคือคืออกุศนต้องเป็นอกุ u ศนหลีกเกลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อครั้งแรกเราพบเนี่ยนะสุพานิมิตเนี่ยนะแล้วแล้วเราเพราะว่าสติเราก็ไม่ไวปัญญาเราก็ไม่ไม่ไม่ไม่มีพละนี่นะมันต้องลงไปไปอกุศนก่อนแน่นอนมันหนีไม่พ้นนะฮะแต่ว่าคนสองคนอีกคนนึงก็ ป่อยไปตามอากุศลเรื่อยไปแต่อีกคนหนึ่งยังยโยนิโสมนัสิการได้นะครับผมก็คิดว่าสละส อ, อกุศลพอประมาณเพื่อผลอันภัยบุญโครงการนี้ร้อยได้เป็นหลายเรื่องแล้วนะโ <นะ S 1> ยงไม่ได้ตั้งหลายอย่างน ะ, นะเพื่อผลอันภัยบุญอ๋ยอมมันที่ต้องเสีย อ, อกุศลที่เห็นมันถวยนะ อันนี้เนี่ยนะครับผมถ้าผมไม่ได้ตึกอันนี้ผมไม่ได้ดอกดอกผมไม่เด็ดดอกได้มาเนี่นะครับไม่ทําแน่เนียไม่ทําครับเพราะว่าได้โยนิสวงราสการว่าอย่างน้อยที่สุดต้องมีผลนะแม้จะเป็นดอกไม้ป่ากขาต้องต้องมีผลนะจึงได้เด็ดมาพอเด็ดมาแล้วก็มานึกเอ๊่นี่เราทำที่สิงข้ออัธินาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าสวนนั้นเขามีเจ้าของอ่ะใช่ไหมเกือบจะเดินมาแล้วโอ้หมาลบหมาเพราเขาอยู่ตั้งไกลนะครับ อสี น, นเรามันมันด่างมันพร้อย ม, มันมัวหมองไม่ดีเลยไม่อยากให้เกิดวิวปฏิสารภายหลังเดินไปขอเข้าถึงนู่นเลยที่บ้านเลยลุงอินลุงอินขอดอกได้หน่อยนะลุงอินคงแปลกใจในเอ๊ะผูกการนี่บ้องไปหรือเปล่าผูกการนี่เกบ้กบองไปหรือเปล่ากรเสียส<า>ใจ<ด>ในภ <ใน S 1> ายหลังอ่ะนอะเออนะดีดีนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ มันจะเว่อไปก็ไม่รู้นะแต่ว่าสบายใจเอาแล้คือมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นช่างช่างปั้นหมอ้อนะอ่าคือตระกูลเข้าเป็นตระกูลปั้นหมอ้อมีดินเหนียวเยอะทีนี้มีพระรูปหนึ่งต้องการดินเหนียวแม่บ้านคนนี้กําลังกโกรธอย่างมากเลยนะโทสะอย่างร่ยยายแรงพระก็ไปยืนอุ้มบาตบินทบาทดินเหนียวอ่ะ คื อ, ค, อ, ค, อคือต้องใช้ดินเหนียวว่างั้นเถอะไปยืนอุ้มบาศเลยกําลังโทสะเนี่ยนะเขาบอกว่าโทสะเนี่ยนะถ้าให้ผลเนี่ยนะจะทําให้เป็นคนที่มีผิวพันธ์ซามถามว่าขณะที่กําลังโกรธพระไปะยืนอุ้มบาศนั้นควรจะถวายทานไหมขนาดนั้นควรทําหรือไม่ควรทํานะเอาเอาลองเสนอมตินะยกมือขึ้นนะว่าไม่ควรทําหรือควรทําเอาเอาอะนะ บอกว่าขณะที่กำลังโทสะเนี่ยนะโทสะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยจะให้อ่ผลของโทสะเนี่ยให้ผลเป็นคนมีผิวพันสามทีนี้ถ้าหากว่าทำบุญขนาดนั้นบุญให้เกิดชาติหน้าเนี่ยผิวสามแน่ถามว่าควรให้ไหมขณะนั้นอ่นะควรให้หรือไม่ควรให้ควรนะแจ๋แจ๋วแล้วก็เล่าว่าเรื่องมีอยู่ว่านางคนนี้เนี่ยตายจากชาตินั้นไป คือคือทำบุญด้วยโทสะเนี่ยนะคือหลังจาก เ, เห็นพระก็นึกโกรธขึ้นมาว่าอย่างนี้ก็ขอขาว่างั้นนะโทสะนี่เกิดขึ้นมาก็เลยถวายแต่ก็สงสัยท่านจําเป็นไหมก็เลยท้า ใ, ให้ทานไปมีโทสะเป็นเบื้องหน้าในการทําบุญว่างั้นหลังจากชาตินั้นตายไปไปเกิดเป็นลูกคนจนมากนะนะอยู่ในเมืองว่างั้นก็บอกว่ารูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นว่างั้นสานวนเนี่ย น, นะ เป็นปีศาจน่ยน่ายก็คือเอาแต่ถ้าเทียบกับอบายไหนดีกว่าฮะฮะเกิดเกิดเป็นมนุษย์ที่ตระกูลต่ำรูปร่างไม่ดีถ้าเทียบกับอบายไหนดีกว่า มนุษย์ดีกว่าใช่ไหมโอกาสฟังธรรมเป็นต้นก็ยังพอมีทำกุศลอย่างอื่นก็พอมีเนี่ยนะแล้วแต่ว่าบุญที่ทำบุญ น, นั้นเนี่ยนะอันนี้สงสุดท้ายเป็นมเหสี ส, สองเมืองเลยคือจริงอยู่เป็นคนที่รูปร่างไม่งามเนี่ยนะดูไม่ได้เลยกลางวันองนั้นแต่แต่ถ้าใครสัมผัสจับเนื้อต้องตัวเนี่ยน ะ, ะด้วยผลที่ได้ให้ดินเหนียวไปนั้นน่นะ ถ้าใครจับเนื้อต้องตัวเนี่ยยอมเป็นทาสเลยคือสมัครเป็นทาสเลยขอให้ได้ผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นภรรยาเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยที่สุดเป็นมาเหสี ส, สองเมืองอย่างนันอย่างนี้นะก็สมควรเลยละ่ะที่ไม่งามก็พเพราะโกรธนั่นแหละแต่ก็ผลของการทําบุญก็สมควรแน่นะมะเหสีสองเมืองอนะ่ะเพราะฉันจะเอายังไงแต่ถ้าบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนั่นเห็นไหมโทสะเกิดแล้วก็ยังทําบุญอย่างนี้น ที่จริงถ้าไม่ไ ม, ไม่ทำบุญเลยอะ่ะผลอันนั้นจะเป็นยังไงก็น่าคิดใช่ไหมโทสะนี้ผลของโทสะเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็น่นแหละอาบายทุกติวินิบาตนรกไม่ได้ดีทักอย่างก็คือถึงเป็นอกุศลก็ทำไปเถอะนะมันอกุศลสลับไปบ้างแต่ถ้าเป็นคนมีบารมีเนี่ยนะขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเถอะนะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาก็ได้ ถ้ามีบุญพอที่จะตรัสรู้ ร, รมถึงเป็นคนมักโกรธขนาดไหนก็ตามนะไปนั่งด่าพระพุทธเจ้าก่อนพระองค์ก็ยอมนะถ้าเป็นคนมีบุญเก่าผลที่สะสมโทสะมาเนี่ยไปนั่งด่าพระพุทธเจ้าเลยพระองค์แสดงทำให้บรรลุธรรมได้อใช่ไหมหรือถ้าหากว่าคนที่เป็นเจริตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่ขอให้มีกุศลเนี่ยสลับบ้างเถอะเห็นไหมเสร็จแล้วเจริตต่างๆเหล่านั้นอนะ่ะพระองค์จะแก้ไขให้หมดนะ ถ้าเป็นสัทธาจริตน ะ, ะแก่อย่างนี้พุทธิจริตแก่อย่างนี้สัทธาจริตวิตกจริตนี่นะราคะจริตซ้อนหมดเลยแก้ปัญหาหมดเลยเพราะฉะนั้นในมหาสมัยสูตรส่วนหนึ่งเนี่ยนะหรือในอนิเทศอะ่ะแถวแถวมหาวิยญหณสูตรเนี่ยนะตัววัตตะสูตรพวกเนี่ยนะแสดงตามจริตของเหล่าเทวดาเนี่ยนะถ้าเทวดาสายโทสะจริตแสดงสูตรนี้โมหจริตแสดงสูตรนี้ มันเทวดาก็มีหลากหลายจริตเหมือนกันมันไม่ไม่ต้องห่วงขอให้มันกุศลจิตสลับสลับบ้างเถอะอย่าบาป บ, บริสุทธ์นักเลยตอนเอนะเลียงวัวยังไม่ทนเสร็จเลยเนะเลนะียงวัวนี่ได้กี่ข้อแล้วนะในแปดข้อแล้วนะข้อหนึ่งก็คื อ, พ, อ, อ, อนะพิกษุต้องรู้จักอะไรข้อแรกนะพิกสุต้องรู้จัก พิสูจนผู้ไม่รู้จักฉลาดในรูปข้อสองไม่ฉลาดในลักษณะสมไม่เคียวใครคร้างข้อสี่ไม่ปิดแผลแผลคือทวารหกเหมือนแผลห้าไม่สมควนหไม่รู้จักท่าท่าในที่นี้หมายถึงอะไรเนะีท่าน้ามาเนะหมายถึงผู้รู้พอที่จะไปถามปัญหา พระธรรมอย่างถูกต้องได้ข้อเจไม่รู้จักน้ําดื่มไหมยังไงก็คือฟังธรรมแล้วไม่ได้ปีติปราโมชชวนเข้าคุยอย่างเงี้ยหรือไปนั่งหลับอย่างเงี้ยหรือไปนั่งส่งจิตไปที่อื่นเรียกว่านี่ไม่รู้จักน้ําดื่มแล้วก็ข้อ8ไม่รู้จักทางไม่รู้จักทางได้แก่อะไรไม่รู้จักอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดหรือไม่รู้จักทางที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ ส่วนข้อ9กก็คือภิกษุผู้ไม่ฉลาดในโคจรเรียกว่าไม่รู้จักที่เที่ยวว่างั้นเถอะคือภิกษุในาศาสนานี้ไม่รู้ชัดในสติปฐานคือสติเป็นที่ตั้งอย่างใหญ่ทั้ง4สติปฐานสีเนี่ยนะตามเป็นจริงภิกษุผู้ไม่ฉลาดในโคจร อ, อย่างนี้แหล คือตัวสติเขาไม่เคยเกิดเลยนะสติที่ที่เป็นไปกับกายเวทนาจิตธรรมไม่มีเลยคือสติที่พิจารณารูปปัจคันเรียกว่าอะไรนะสติตัวนั้นเรียกว่ากายานุปัสนาสติปทานสติที่ตัวสตินะที่พิจารณารูปปัะขันสติที่พิจารณาเวทนาขันเรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปทานสติที่ไปพิจารณาจิตเรียกว่า จิตานุปัสนาสติปทานสติที่พิจารณาสัญญาขันธ์กับสังขารขันธ์เป็นธรรมานุปัสนาสติปทานตัวสตินะเป็นโคโจรของพระภิสุทธทั้งหลาย mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่โคโจรไปตามสติอันนี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า mm hmm. ไม่ฉลาดในโคโจรว่า ง, งั้นแหละแล้วก็ถ้าหากว่าไม่เที่ยวไปในวิสัยของบิดาสติปทาน4ี่นี้เป็น วิสัยของบิดาเนี่ยนะถ้าไม่ท่องเที่ยวไปตามอย่างนี้มารก็จะจได้ช่องมารก็จกได้โอกาสเหมือนกันซึ่งสติปัฏฐานครั้งต่อๆไปเราคงจะได้เรียนโดยโดยละเอียดหน่อยเนาะนะครั้งนี้ก็แค่นี้พอทีนี้ต่อไปนะข้อสิบที่สูเป็นผู้รียดเสียหมดไม่มีส่วนเหลือถ้าถ้าเป็นนายโคบานก็เรียดเรีดนมโคหมดเลยไม่ไม่เหลือไปให้ลูกโคเนี่ยเดิมบ้างก็คือ คือหา บ, บดีทั้งหลายผู้มีศรัทธามาปวารณาคือเชิญภิกษุในศาสนาให้เลือกรับด้วยจีวรบินธบาตเสนาสนะและกิาณะปัจจัยเภสัชบริการในการที่เขาปวารณาเช่นนั้นเธอไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นภิกษุเป็นผู้รีดเสียหมดไม่มีส่วนเหลืออย่างนี้ก็คือเขาปวารณาเรียกว่าไปขอหรือไปรับไม่รู้จักประมาณในการ รับปัจจัยคําว่ารู้จักประมาณเนี่ยนะก็คือรู้จักว่าน่ถ้าปัจจัยนั้นมีน้อยก็ควรรับแต่น้อยด้วยอำนาจปัจจัยปัจจัยนั้นมีมากแต่ว่าศรัทธาของคนให้มีน้อยก็ควรรับแต่น้อยตามอนุภาพของศรัทธาของผู้ให้ควรรับแต่น้อยถ้าของมีมากศรัทธามีมากควรทำยังไง ควรรู้กำลังของตนเนี่ยนะว่ากำลังของตนเนี่ยเหมาะสมขนาดไหนก็รับแต่เพียงเท่านั้นอันนี้เรียกว่าหลักในการรับรับปัจจัยสี่เนี่ยนะข้อข้อหนึ่งก็คือหนึ่งของทายกเนี่ยมีศรัทธาเยอะลหละแต่ของมีน้อยก็ควรรับแต่น้อยด้วยด้วยกำลังของทายทานทายธรรมของมีมากศรัทธามีน้อยเนี่ยนะก็ควรรับแต่น้อยตามกำลังของ อนุภาพของศรัท ธ, ธาของคนให้เขามีศรัท ธ, ธาน้อยก็ควรรับแต่น้อยถ้าของมีมากศรัท ธ, ธามีมากควรรู้กําลังของตนว่าไงคือตัวเองเนี่ยสมควรขนาดไหนก็มันเหมาะสมขนาดไหนก็ให้รู้ประมาณรู้กําลังไม่ใช่ว่าจะอิ่มคนเดียวอย่างเงี้ยแต่เอาไปสักสามสี่อิ่มอย่างเงี้ยนะไปเลี้ยงใครอย่างเงี้ยก็เรียกว่าให้รู้กําลังของของตนพี่สุนีไม่ฉลาดอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมเขามีของน้อยรับหมดเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ย น, นี่ก็ถือว่าไม่ฉลาดเขาไม่ค่อยมีศรัทธาอย่างเงี้ยก็ไปรีดทั้งหมดเลยอันนี้หนึ่งหรือว่าศรัทธาเขามีของเขาเยอะแล้วเอาไปล้นเหลือล้นหลามเนี่ยนะคือมันเกินความจําเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณเขาเรียกว่ารีดนมหมดเลยทีนี้วันหลังก็กดเลย <c oughs> ทีนี้ต่อไปนะข้อ11ก็คือภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็น เทระรัตตัญยูมีพรรษาบวชนานแล้วเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ด้วยการบูชาอย่างล้นเหลืออย่างไรก็คือไม่รู้จกักเคารพยำเกรงบูชาพระผู้ใหญ่เนี่ยนะถามว่าเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้ไม่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาก็คือไม่ไปตั้งกายกรรมด้วยเมตตาแสดงกิริยาอาการต่อหน้าท่านที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะ ไม่มีวจีกรรมประกอบไปด้วยเมตตาพูดกับท่านต่อหน้าหรือลับหลังเป็นต้นด้วยอาการที่ขาดเมตตาต่อท่านหรือไม่มีเมตตามโนกรรมกับกับพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยนะคือผู้ใหญ่เนี่ยเขาแค่ดูเครียกว่าสำนวนว่ากวาดสายตานิดเดียวเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าลูกศิษย์เขาเป็นอย่างไรเนี่ยนะอ่าเหมือนกับเหมือนกับคนที่ผ่านล่วงการผ่านวัยมาเยอะแล้วนะเห็นกิริยาอาการของลูกหลานก็พอรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละใช่ไหมนั่นแหละตรงนี้ก็ลักษณะนั้นอ่ะถ้าหากว่าภิกษุรูปใดไม่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาวาจีกรรมประกอบไปด้วยเมตตามโนกรรมประกอบไปด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระรัตตันญูคือบวชมานานว่ากันที่มีพรรษาผนวดนานแล้วเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นํำภิกษุสงฆ์ทั้งในที่แจ้งและที่รับเห็นไนะ ก็คือไม่มีเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังต่อพระเถระนั้นที่เป็นใหญ่เป็นประธานในที่นั้นไม่มีเมตตาวาจีกรรมต่อหน้าและรับหลังไม่มีเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระรักตัญยูมีพรรษาผนวดนานแล้วเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นําภิกษุสงฆ์ด้วยการบูชาอันล้นเหลืออย่างนี้ถามว่าตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไร ก็คือกล่าวท่านอธิบายว่าภิสษุไม่บูชาภิสูนเหล่านั้นผู้เป็นเทระด้วยบูชาเป็นอดีเรกเนี่ยนะนะมีเมตตากายกรรมเป็นต้นทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับเหมือนนายโคบานไม่ปรนปลือโคใหญ่ด้วยการปรนปลือพิเศษอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระเทระคิดว่าพิสษุทั้งหลายไม่ทําความเคารพและยําเกรงในพวกเราเหล่านี้แล้วเออพวกเหล่านี้ไม่ไม่ เขรียกว่าไม่เห็นท่านอยู่ในสายตาเลยเถอะสํานวนเขาบอกงั้นจึงมิได้สงเคราะห์พวกนวกะภิกษุด้วยการสงเคราะห์สองอย่างเนี่ยนะคือไม่สงเคราะห์ด้วยธรรมะไม่กล่าวสอนไม่ตัดเตือนไม่แนะนําอะไรสักอย่างเนี่ยนะคือดูแล้วเอ๊เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยาเกรงเป็นบุคคลที่ไม่ควรแนะนำว่างั้นเถอะฝันท่านก็เลยไม่แนะนําเลยเรียกว่าไม่สงเคราะห์ด้วยธรรมะและก็ไม่สงเคราะห์ด้วยอามิตรเนี่ยนะ ปัจจัยสี่เนี่ยนะคือธรรมดาภิกษุผู้บวชใหม่พรนสายังไม่มากเป็นต้นเนี่ยธรรมดาแล้วลาบสการะหรือปัจจัยสี่จีวอนเครื่องนุ่งห่มอาหารบินทบาตเนี่ยนะข้าวของเครื่องใช้ส่วนใหญ่ก็น้อยอั้นถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่สงเคราะห์แล้วเป็นยังไงนะเมื่อไม่พระทิระก็ไม่บำรุงด้วยอามิ t h และด้วยธรรมนวกะภิกษุก็ลำบากเหี่ยวแห้งอยู่ด้วยจีวอนหรือบิณทบาทสิ่งของเนื่องด้วยบาท หรือที่อยู่และก็พระเถระไม่ให้การศึกษาไม่บอกบาลีคือพระพุทธพจน์อัตถกถาคำภีเนื่องด้วยธรรมกถาหรือว่าคำภีที่รีรับนะคือมีข้อความบางประเด็นที่ที่สามารถแนะนำและเข้าใจได้ทันทีเป็นต้นเนี่ยนะเพราะตัวเองเนี่ยประพฤติผิดธรรมคือควรที่จะมีเมตตากายกรรมต่อหน้าก็คือเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลท่าน เมตตากายกรรมรับหลังส่วนใดที่พอช่วยเหลือท่านข้างหลังได้ก็ช่วยไปถึงท่านไม่อยู่ตรงนั้นถ้าเป็นกิจของท่านพอที่จะช่วยท่านได้ก็ช่วยไปหรือเมตตาวจีกรรมต่อหน้ากล่าวกับท่านด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมพูดยกย่องหรือรับหลังก็คือการกล่าวชื่นชมท่านในที่รับหลังไปต้นเนี่ยนะหรือเมตตามาโนกรรมสแสดงด้วยกิริยาอาการที่เป็นกุศลนะทกับท่านด้วย กุศลกุศลจิตเนี่ยนะแต่พิสุไม่ทำอย่างนั้นพระเถระก็เลยไม่สงเคราะห์เลยไม่สงเคราะห์ด้วยธรรมะและไม่สงเคราะห์ด้วยอามิตเนี่ยนะก็ย่อมไม่อาจเพื่อจะดำรงอยู่ในาศาสนานี้ได้เนี่ยนะก็คือเมื่อขาดแคลนเดือดร้อนไม่มีคนดูแลใจใสก็ทาไงท่าเนรส่วนใหญ่ก็เอ๊ะบ้านเราก็มีใช่กลับไปอยู่บ้านดีกว่า สึกเลยเกันเพราะฉะนั้นพวกเธอก็เป็นผู้ที่ไม่เจริญด้วยศีลเป็นต้นเหมือนฝูงโคของนายโคบานย่อมไม่เจริญฉะนั้นนายโคบานนั้นย่อมเป็นผู้อยู่ห่างไกลาจากปัญจโครถฉัน้นใดเธอเป็นผู้ห่างไกลาจากธรรมขันห้าฉะนั้นเห็นไหมพิสูงหลายพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์11ประการเหล่านี้แลไม่ควรจะถึงความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมวินัยนี้ ส่วนในฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าที่สูทั้งหลายนายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการนี้แล้วควรจะรักษาหมู่โคและทำหมู่โคให้เจริญได้องค์11ประการเป็นไนะคือนายโคบาลในโลกนี้เป็นผู้รู้จักรูป1ข้อ2ก็คือเป็นผู้ฉลาดในลักษณะ3เป็นผู้เคี่ยวไครค้างออกเสีย 4. เป็นผู้ปิดแผล5เป็นผู้สมควัน รู้จักท่าเจรู้จักให้ดื่มแปดรู้จักทาง9ฉลาดในตําบลที่โคเที่ยวหากิน10เป็นผู้เรีดน้ํานมไม่มีส่วนเหลือแล้วก็ข้อ10ข้อ11ก็คือเป็นผู้ปรนปรือเหล่าโคอุสุภาเนี่ยนะอันเป็นพ่อฝูงด้วยการบูชาอันล้นเหลือนายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการเหล่านี้แล้ว จะรักควรจะรักษาหมู่โคและทำหมู่โคให้เจริญได้ภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันประกอบด้วยองค์11ประการแล้วควรจะถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้องค์11ประการเป็นไฉภิสูุนในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้รู้จักรูปสองเป็นผู้ฉลาดในลักษณะสามเป็นผู้เคียย์ใครค้างออกเสีย 4. เป็นผู้ปิดแผลห เป็นผู้สมควั 6. รู้จักท่าเจรู้จักให้ดื่ม 8. รู้จักทาง 9. เป็นผู้ฉลาดในโคจร 10. เป็นผู้รีดมีส่วนเหลือไว้ 11. เป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระรักตันยูมีพรรษาผนวดนานแล้วเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ด้วยบูชาอันล้นเหลือก็คือภิกษุ เป็นผู้รู้จักรูปอย่างไรคือพิสูจในพระศาสนานี้รู้ชัดตามเป็นจริงว่ารูปชนิดใดชนิดหนึ่งและรูปทั้งปวงคือมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง4ีพิกษุเป็นผู้รู้จักรูปอย่างนี้เนี่ยนะก็คือรู้จักรูปโดยการนับและโดยสมุทฐานเป็นอย่างดีข้อ2ก็คือพิสูจเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเนี่ยเป็นอย่างไรพิสูุนในศาสนานี้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า คนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายกรรมไหนกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเป็นเครื่องหมายของคนพาลและของบัณฑิตด่วงกันเถอะคนพาลก็มีกายกรรมที่ทุจริตเป็นต้นนั่นแหละเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนพาลบัณฑิตก็มีกายกรรมที่เป็นสุจริตนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของบัณฑิตพิสูจเป็นผู้ฉลาดในลักษณะอย่างนี้ พี่สุเป็นผู้เขี่ยไข่ค้างออกเสียอย่างไรพี่สุในศาสนานี้ไม่ให้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและอกุโสลธรรมที่เป็นบาปทับถมละเสียบันเทาทําให้สิ้นเสียไม่ให้เกิดได้เนืองๆพี่สุเป็นผู้เขี่ยไข่ค้างออกเสียอย่างนี้เนี่ยนะเขี่ยสภาพจิตที่บาปออกจากจิตซะเนี่ยนะอะไรที่มันตั ว, ตวบาปนะที่เกิดในจิตนํามาซึ่งความเสียหายเป็นต้นก็เขี่ยออกจากใจ เ, นะเหมือนไข่แมลงวันแมลงวีนะถ้าตอมแล้วถ้าไม่รีบเคลียเนี่ยแผลนเน่าแน่และข้อ 4. สพิสูจเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างไรพิสูจนในศาสนานี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมกูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกายรู้แจ้งธรรมรมดุด้วยใจแล้วไม่ถือไว้โดยนิมิตไม่ถือไว้โดยอนุพยัญชนะธรรมะทั้งหลายที่เป็นบาปอากุศล เมียพิชาและโทมนัสเป็นต้นเขาย่อมไม่อาจไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สํารวมมีอินทรีย์ที่ไม่สํารวมแล้วใดเป็นเหตุเธอปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์นั้นคนไม่สํารวมเนี่ยน ะ, ะถ้ากล่าวว่าโลภะกับโทสะโลภะกับโทสะก็เท่ากับกล่าวจิตที่เหลือทั้งหมดและเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดด้วยถ้าไม่สํารวมเนี่ยนะชาวนะก็เป็นไปกับบาปอากุศลตลอดเวลาเมื่อเกิดการ เห็นการได้ยินหรือนึกคิดเป็นต้นเนี่ยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในการปิดแผลก็คือปิดใจไม่ให้เป็นบาปเมื่อเห็นได้ยินเป็นต้นนั่นเองข้อต่อไปพิสูจเป็นผู้สุมควญเนี่ยเป็นอย่างไรพิสูจนในศาสนานี้แสดงทำตามที่ตนได้ฟังได้เรียนแก่ผู้อื่นโดยพิสดารพิสูจเป็นผู้สมควญอย่างนี้แหละออกมากํลาลังสมควญอยู่นันะเนี้ยขมงเลยเนาะก็คือการแสดงทำเรียกว่าสมควน ก็ <c oughs> 6เป็นผู้รู้จักข่าเป็นอย่างไรพิสูจในาศาสนานี้ไปหาแล้วและไต่ถามไล่เลียงพิสูจทั้งหลายผู้มีพุทธว จ, จะนะฟังแล้วมากเห็นไหมเป็นผู้รู้หลักทรงธรรมวินัยเนี่ยนะทรงมาติกาว่าภาสิดนี้เป็นอย่างไรเนื้อความของภาสิดนี้เป็นอย่างไรโดยระยะการโดยระยะการก็คือรู้การในการเข้าไปหาเนีย่ยนะคนนี้ควรถามปัญหาอะไรควรถามเวลาไหนเป็นต้นก็ รู้จักการรู้จักเวลาเนี่ยนะเธอผู้มีอายุทั้งหลายคือผู้ที่ควรเคารพเหล่านั้นเนี่ยนะจึงเปิดเผยข้อความที่ยังลี้ลับทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื่นบันเทาความสงสัยในธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยซึ่งยังมีเป็นอันมากแก่เธอพิกสุรู้จักท่าอย่างนี้แหละเออจริงนะปัญหาบางอย่างเนี่ยเคยไปถามทัติระบางท่าน่ะ เราเข้าไปถามเรื่องเดียวโอ้โหท่านพูดให้เราฟังตั้งหลายเรื่องอะ่ะนะเราก็ค่อยถามไปโอ้ท่านมีอะไรเนี่ยพรั่งพรูให้เราหมดเลยบางที่มีเอกสารอะไรนี่เอามาให้หมดเลยเนอะนึกถึงตอนไปหาพระอาจารย์ส ม, มน์เหมือนกันคุยถูกคอกันพระอาจารย์เนี่ยยกเอกสารมาให้หมดเลยเอออยากได้อะไรเนี่ยนั่นเครื่องซีล็อกเหมือนกันเครื่องถ่ายเอกสารไปถ่ายเอากันแล้วกันยกแฟ้มเอกสารให้หมดแล้วก็ยกเครื่องถ่ายเอกสารให้ด้วยอยากได้อะไรเอาไปเลยไปคนมา ผลมาให้เราหมดเลยโอยิ้มใหญ่เลยถูกใจมากนะคะหากว่าเรารู้จักเข้าไปหาท่านตามการเนี่ยสบายอ่าอีกครั้งหนึ่งเข้าไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นคาราวาสอ่าเราก็สนทนาถามปัญหาท่านสองสามข้อท่านยกแฟมให้เยอะๆไปหมดเลยให้เอกสารเนี่ยโหเกือบเป็นครือบอะ่ะนั่นนะนถ้าหากว่าเราเรารู้จักถามเป็นต้นเนี่ยนะท่านมีอะไรท่านก็จะสงัสงเคราะห์แต่ก็ต้องถามให้ถูกคนถูกการด้วย น, นะ ถ้าผิดการก็ตรงกันข้ามหมดเลยนี่เเรียกว่าพิสุรู้จักท่านั่นแหละทีนี้ต่อไปพิสุรู้จักน้ำดื่มเนี่ยรู้จักดื่มเป็นอย่างไรพิสุในศาสนานี้เมื่อธรรมะและวินัยที่พระตถาคตให้รู้แจ้งแล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้ธรรมะรู้อัตถะเนี่ยนะรู้รู้ธรรมะคือรู้อะไรรู้ภาสิตรู้ สมุทยสัตว์รู้มักสัตว์รู้กุศลอกุศลรู้ภาสิท์อย่างนี้คือเรียกว่ารู้ธรรมะถ้ารู้อัตทเนี่ยรู้อย่างไรคือรู้เนื้อความแห่งภาสิทธนั้นรู้วิบากของกุศลและอกุศลรู้ทุกขสัตว์และนิโรธสัตว์อย่างนี้คือเรียกว่ารู้อัตทและก็ปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเห็นไหม ฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะฟังธรรมก็ได้รับเกิดความปีติปราโมู์เอืบอิ่มใจเนี่ยนะฟังแล้วก็สามารถที่จะขนลุกเป็นต้นเนี่ยนะหรือปีติเกิดความเอบอิ่มใจเนี่ยน ะ, ะถ้าหากว่าผู้ที่ฟังธรรมแล้วสามารถส่งจิตตามเรื่องธรรมะเนี่ยนะไม่ตรึกเรื่องอื่นเป็นต้นสามารถคิดธรรมะนะั้นแล้วพี่นารณาคำสอนตามไปด้วยเนี่ยน ะ, ะส่วนใหญ่แล้ว มหากุศลที่เกิดขึ้นเป็นโสมนัสเมื่อโสมนัสมีปิติประกอบเนี่ยนะปิติก็จะเกิดขึ้นทําให้เกิดความเอิบอิ่มใจบันเทิงใจสบายใจนะนะอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นเฉพาะขณะนั้นแล้วมหากุศลอันนั้นเนี่ยนะเป็นทางแห่งยานเคยได้ยินนะทางแห่งยานนี่มีกี่อย่างทางแห่งยานเนี่ยมีสามอย่างนะหนึ่งเขาว่ายานก็เป็นทางแห่งยานสอง อารมณ์ก็เป็นทางแห่งยานสามสำปยุตรธรรมก็เป็นทางแห่งยานคำวา่าไงอ่ายานเป็นทางแห่งยาน น, นี่หมายคำ ว, ว่าไงหมายคำ ว, ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นครั้งก่อนๆเป็นอุปนิสัยแก่ปัญญาที่เกิดขึ้นครั้งหลังๆเนี่ยนะอ่ายานอันนี้ เ, เรียกว่าเป็นทางแห่งยานยานก็เป็นทางแห่งยานนะถ้าเราฟังเข้าใจวันนี้เดี๋ยววันต่อๆไปเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้น ก็สองอารมณ์ก็เป็นทางแห่งยาน อ, อ, อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะสีเฉยๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรใช่ไหมใครก็มองเห็นอยู่แล้วแต่สีอันนี้เมื่อกล่าวโดยความเป็นขันธาตุยตนะเป็นต้นเนี่ยหูเนื้อหอมาเยอะมันอารมณ์เหล่านี้ก็ก่อให้เกิดยานขึ้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็เป็นทางแห่งแห่งยานด้วยแลวก็สุดท้ายคือสัมปยุตธรรมก็ชื่อว่าเป็นทางแห่งยาน ศรัทธาก็เชื่อว่าเป็นทางแห่งยานใช่ไหมศรัทธาที่เกิดขึ้นก็สัมปยุตตธรรมหรือเป็นอุปอา่าเป็นสัมปยุตตธรรมที่สําคัญต่อยานด้วยนะถ้าไม่มีศรัทธาถึงเข้าใจถึงฟังแล้วเข้าใจแต่ถ้าไม่มีศรัทธาที่จะฟังเป็นต้นยานนั้นก็ไม่เกิดออยกตัวอย่างนะบางคนนี่มีความรู้ความสามารถสูงมากถ้าเขานั่งฟังทำต่อให้พระพุทธเจ้าแสดงจบเป็นพระโสดาบัน แต่ศรัทธาขนาดนั้นอ่อนไปน่าจะฟังให้จบเนี่ยนะมีสรัธานนั่งต่ออกีกไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันเลยแต่ว่าปัญญาเนี่ยมีแล้วละ่ะแต่ขาดศรัทธาอย่างไรเพราะศระัทธาวิริยะสติสมาธิก็เป็นสัมปยุต ธ, ธรรมก็ชื่อว่าเป็นทางแห่งแห่งยานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราฟังเข้าใจแล้วก็จะทําให้เกิดปีติเกิดปรามโมทเกิดความเอิบอิ่มสบายใจแล้วก็ ได้รับอุปนิสัยเป็นทางแห่งยานเป็นทางแห่งความรู้ความเข้าใจในวันต่อๆไปด้วยอย่าลืมนะการฟังธรรมแล้วเข้าใจในวันนี้แล้วตั้งใจตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งวันต่อๆไปนะจะเหมือนกับที่เราตั้งใจไว้วันนี้สังเกตนะถ้าใครหมั่นสมาทานในเรื่องนั้นๆบ่อยๆนะตั้งใจตอกย้ําเนี่ยนะไม่เกินร้อยครั้งอะ่ะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นอย่างที่ที่ตั้งใจไว้แล้วสมาทานแบบนั้นแหละนะ ถามว่าอย่างนี้เป็นอัตราไหมเป็นหรือไม่เดี๋ยวจะกล่าวทีหลังทีนี้ถามว่าข้อต่อไปก็คือภิกษุรู้จักทางเนี่เป็นอย่างไรคือภิกษุในศาสนานี้รู้ชัดอัตถังคิกกรมักอันเป็นทางประเสริฐตามเป็นจริงภิกษุรู้จักทางอย่างนี้แลรู้จักอริยมรรคเนี่ยนะประกอบไปด้วยองค์แปดทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในโครจร น, นี่เป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้รู้ชัดสติปัฏฐานทั้ง4ี่ตามเป็นจริงภิกษุเป็นผู้ฉลาดในโครจร อ, อย่างนี้แหลเห็นไหมรู้สติปัฏฐานอย่างดีเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักทางโครจรต่อไปนะเลี้ยงโคใหม่ทีนี้ว่าภิกษุเป็นผู้รีดมีส่วนเหลือเนี่ยไว้เป็นอย่างไรครูหาบ ด, ดีทั้งหลายผู้มีศรัทธา มาปรวรนาคือเชื่อเชิญภิกษุในศาสนานี้ให้เลือกรับด้วยจีวรบินทบาตเสนาสนะและปัจจัยเภสัชบริขารในที่เขาปรวรณาเช่นนั้นเธอรู้จักประมาณเพื่อจะรับปัจจัย4มีจีวรเป็นต้นภิกษุเป็นผู้รีบมีส่วนเหลือไว้อย่างนี้แหละส่วนข้อสุดท้ายก็คือภิกษุเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลาย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 ในพิสูจน์ทั้งหลายผู้เป็นพระเถระ TA, รัตตัญมีพรรษาผนวดนานเป็นบิดาภิกษุน์สงเป็นผู้นำพิกษุน์สงทั้งในที่แจ้งและในที่รับภิกษุเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระรัตตัญมีพรรษาผนวดนานแล้วเป็นบิดาภิกษุน์สงเป็นผู้นำภิกษุน์สงด้วยการบูชาอันล้นเหลืออย่างนี้เนี่ยนะก็คือพระเถระเนี่ยนะเข้าไปมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมต่อหน้ารับหลังนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วเนี่ยนะ ขอให้เจริญตามนั้นเพราะฉะนั้นการเจริญพรหมหานเนี่ยนะนับว่ามีความสำคัญมากนะต่อการอยู่ในส ม, มณะเพศเนี่ยน ะ, อ, ะอันนี้ยกตัวอย่างส ม, มณะเพศเนี่ยนะของเราก็ไปไประยุกใช้เหมือนกันเพราะว่าเมตานั้นมีสัตว์เป็นอารมณ์เมื่อไรบ้างที่เราไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์มีไหมหายากเนาะคนรอบข้างเราเป็นไหมอ่าเป็นเราก็เป็นสัตว์คนหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าเราขาดเมตตาต่อตัวเองขาดเมตตาต่อคนรอบข้างเป็นต้นแล้วความเจริญเป็นต้นก็คงจะหายากใช่ไหมพิกษุในศาสนานี้ก็ลักษณะในข้อสุดท้ายเนี่ยนะเมตตานั้นถ้าหากว่าท่านขาดเมตตาเหล่านี้แล้วจะเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวินัยได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่ามีคุณธรรมเหล่านี้ประกอบด้วยองค์11ประการเหล่านี้แล้วควรจะถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวินัยนี้ นะนี่ก็ข้อความในมหาโคปาลกะสูตรแต่ก็อีกสูตรหนึ่งเรียกว่าจูรโครโคบาลสูตรเนี่ยนะสูตรเลี้ยงโคสูตรเล็กทรวงันเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าสูตรใหญ่นี่สูตรเล็กซึ่งมีความสําคัญมากแต่คนเลี้ยงโคสูตรนี้เนี่ยนะคนเลี้ยงโคแบบดีเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้านะคนเลี้ยงโคเมื่อก่อนเนี่ย สูตรก่อนนี้ก็ใครก็ได้ถ้าไม่มีความสามารถในการเลี้ยงโคก็ไม่เจริญว่าือนกันแต่สูตรนี้หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะฝั่งแม่น้ําคงคาจังหวัดอุ ก, กาณนะแคว้นวัชีเควนวั ช, วนวชีนี่เมืองอะไรไผ่าลีนะเวสาลีกับไผ่าลีนี่อันเดียวกันบาลีนี่ไม่มีสไอเห็นไหม บาลีเนี่ยไม่มีสะไอมีแต่สะเอเอาสะเอเนี่ยไปเป็นสระไอว่ากันคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายนะพิสูจน์เหล่านั้นก็ทูลรับสนองพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่าคือก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะได้ตรัสพระสูตรนี้มีเรื่องเล่า ว, ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพิสูจน์สงเป็นอันมากห้อมล้อมประทับนั่งณนะสถานที่เช่นนั้นบนหาดทราย ฝั่งแม่น้ำคงคาในเวลายินกำลังทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำมหาคงคาเต็มเปี่ยมกำลังไหลทรงใครครวญว่ามีใครๆหนออาศัยแม่น้ำคงคานี้แล้วได้รับความเจริญและความเสื่อมในการกอดเห็นนะคือเอ๊มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างแม่น้ำนี้ไหมระองก็ใช้ใช่ไร ใช้สัพพัญยุตยานเป็นต้นเนี่ยนะหรือใช้ปุเพนิวาสานุสติยานตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นมั่งตรเหตุการณ์ตรงนี้ได้ทรงเห็นว่าฟูงโคหลายพันอาศัยนายโคบานโง่คนหนึ่งตกที่วนแม่น้ำคงคานนี้เข้าไปสู่มหาสมุทร น, น, นะนะก็คือน้ำเนี่ยกำลังไหลเชี่ยวใช่ไหมนายโคบานไม่ฉลาดพาโคข้ามฝั่งเนี่ยไปสู่แม่น้าวนเนี่ยตายเกลี้ยงหมดหลายพันตัวเลยนะ ที่ตรงนั้นเนี่ยสัตจุติเป็นพันๆม่างั้นส่วนฟูงโคหลายแสนได้มีความสวัสดีความเจริญความไม่มีโรคเพราะอาศัยนายโคบานผู้ฉลาดอีกคนหนึ่งครั้นทรงเห็นเหตุนั้นแล้วทรงนำเรว่าเราจักอาศัยเหตุนี้แสดงธรรมแก่พวกพิสุ ด, ดังนี้จึงตรัสเรียกพิสุทั้งหลายนายนี่พระองค์ก็ตรัสว่าพิสุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบานชาวมคตผู้มีมาแล้ว นายโคบาลชาวมคตผู้มีปัญญาสามไม่นึกถึงฤดูสาระทะในเดือนท้ายฤดูฝนเนี่ยนะช่วงน้ํากําลังเชี่ยวแต่ของเราเนี่ยวันแถวๆวันเพ็นเดือนสิบสองแถวนั้นน้ําเต็มเปี่ยมเลยใช่ไหมเต็มเปี่ยมไหมนะสาระทะการเนี่ยก็คือช่วงนั้นแหละช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยนะประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาแถวนั้นนะ ไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้เริ่มต้อนฟูงโคข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัตฝากโน้นโดยไม่ถูกท่าเลยทันใดนั้นแลฟูงโคได้ไว่ายเวียนวนใน่้มกลางกระแสแม่น้ำคงคาถึงความโวดวายเสียที่ตรงนั้นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรพีกสูทั้งหลายเพราะ ข้าที่นายโคบานชาวมคตเป็นผู้มีปัญญาสามไม่นึกถึงฤดูสาระในเดือนท้ายฤดูฝนไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้เริ่มต้อนฟูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัตฟาคโน้ดโดยไม่ถูกท่าเลยโอ้ตายไปหลายพันเลยนะวัวเนี่ยเสียหายหลายพันเนี่ยนับว่าศูญเสียอย่างมากมายเนยนะ เพราะไม่ฉลาดพาโคข้ามฝากภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่ฉลาดต่อโลกนี้นะคือไม่ฉลาดในโลกนะไม่ฉลาดโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมารไม่ฉลาดต่อสิ่งเนื้ออำนาจมารไม่ฉลาดในสิ่งใต้อำนาจมริตโยไม่ฉลาดต่อสิ่งเนื้ออำนาจมริตโย ชนเหล่าใดาจักสำคัญสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อต่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่ อ, อไรประโยชน์และทุกแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานเช่นนั้นเหมือนกันแหละอันนี้ก็กล่าวถึงเจ้าลทัทธิเจ้าเจ้ า, าศาสดาหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะเนี่ยนะซึ่งเป็นคนที่ไม่ฉลาดไม่รู้ต่อโลกนี้ไม่รู้โลกหน้าไม่รู้ว่าอะไรเนี่ย อยู่ใต้อำนาจมารเหนืออำนาจมารอะไรอยู่ใต้ความตายอะไรเหนือความตายเมื่อไม่รู้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมสั่งสอนประชาชนหมู่ประชาชนก็ถึงความเลื่อมใสสธานในผู้เหล่านั้น่นะสิ่งที่เขาเจริญทำเหล่านั้นเป็นไปเพื่อไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยประโยชน์โลกนี้ไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานไม่ได้และทุกขนะ ใช้คำว่าทุกเลยนะทุกทั้งทุกในโลกทั้งสองอะมั่งเนาะทีนี้มาว่าไม่ฉลาดต่อโลกนี้ไม่ฉลาดต่อโลกหน้าโลกเป็นยังไงคําว่าโลกโลกเนี่ยนะโลกเป็นยังไงโลกโลกมีกี่อย่างก็โลกมีสามอย่างหนึ่งหนึ่งสังขารโลกสองสัตว์โอกาสสวัโลกสัตว์โลกเนี่ยนะ ใครไปเจริญพุทธคุณให้บ้างหรือเปล่าเนาะคุณบุญชูได้เจริญไหมโลกกับวิธูยังไม่ถึงเลยเนานนะเจอโลกนถ้ารู้จักโลกจริงๆก็รู้โลกหนึ่งสัพเพสาตาหารทิติการโลกสองนา ม, มัญจะรู ป, ปัญจะโลกสองคือนามและรูปโลกสามคือติดโสเวทนาเวทนาสามโลกสจัตตารโออาหารา จัดตารอาหารก็คืออาหารสโลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหอายตนะหโลกเจวิญญาณทิติเจโลก8โลกกระท8โลก9สัตวาวาสเกโลก10อายตนะ10โลก12องายตนะ12โลก18ทธาตุเรื่องโลกว่างั้น ไม่ฉลาดโลกคือขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกทั้งหมดเนี่ยนะในส่วนในในโลกนี้และสิ่งเหล่านี้ที่เป็นไปในข้างหน้าอันนี้ เ, เรียกว่าไม่รู้จักโลกวังนั้นแท้คำว่ า, าโลกแปลว่าอะไรเสื่อมสลายไปนีสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่มีความเสื่อมสลายไปฉะั้นผู้ที่ไม่ฉลาดตอนโลกคือขันธอายตนะเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ไม่ฉลาด ต่อสิ่งที่ใต้อำนาจมาร น, นะอะไรมั่งที่อยู่ภายใต้อำนาจมารอะไรเหนืออำนาจพญามารเนี่ยนะอะไรอยู่มารดูแลได้อะไรที่มารเอื้อมไปไม่ถึงหมายถึงอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่ใต้อำนาจมารก็คือเตภูมิกรรมนะเตภูมิกรรมก็คือทมที่เป็นไปในภูมิสาม การมาวจรธรรมทั้งหมดอยู่ใต้อํานาจมารรูปาวจรธรรมทั้งหมดอยู่ใต้อํานาจมารอารูปาวจรธรรมทั้งหมดอยู่ใต้อํานาจมาร Material Material อยู่ใต้อํานาจมัจจุมารเป็นต้นนั่นเองอยู่ใต้กิเลสมารเพราะว่าเตภูมิกรธรรมทั้งที่เป็นการมาวจรกุศลเนี่ยนะทั้งจิตเจตสิกรูปที่อยู่ในขอบเขตภายในการ ม, มาวจรธรรมสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ใต้อํานาจของมาร เพราะเป็นอารมณปัจจัยของกิเลสมารเป็นยังเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นมัดจุมานก็ยังฆ่าได้นี่นะถ้ายังเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้อยู่ันถ้าหากว่าไม่ฉลาดว่าเ อ, อเตภูมิกะระทำทั้งหลายเนี่ยอยู่ใต้อํานาจพยมานเออแล้วมหากุศลที่เราเจริญนี่อยู่ใต้หรือเปล่านะนะโอ้สาธุรู้ว่าเออมหากุศลที่เจริญเนี่ยขนาดมหากุศุนที่กําลังเจริญเนี่ยนะ ก็ยังอยู่ใต้อำนาจพยามารอยู่นะเพราะอะไรเพราะมหากุศลเหล่านี้ก็ยังเป็นอา ร, รัมมณปัจจัยของบาปของอกรุสนะมหากุศลที่เจริญก็ยังเป็นอา ร, รัมมณปัจจัยของกายะทุจริญวจีทุจริญและมโนทุจริญเพราะเป็นธรรมรมธรรมรมนี่ก่อให้เกิดทุจริตได้3อย่างสิ่งนั้นถึงเป็นกุศลแต่ก็เป็นอา ร, รัมมณปัจจัยของทุจริญได้และเป็นอุปนิสัยแห่งทุจริตได้ นะแล้ววิบากของมหากุสลเป็นยังไงวิบากของมหากุสลให้ผลเป็นมนุษย์และเทวดาเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับเรานี่แหลนะเนาะดีหรือป่าดีนะนะสมัมมาเนนเขาว่าไงรู้ปะก็ดีกว่าไปอาบายเขาว่าไงก็ใช่ตอบอีกก็ถูกอีกกันแหละก็คือเก็แสดงว่าเราก็ชื่นชมในสภาพแบบนี้ใช่ไหม ผู้ใดเชื่นชมต่อทุกก็ไม่พ้นทุกใช่ไหม <laughs> แต่ก็ถือว่าธรรมชาติเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะทั้งกุศลอกุศลวิบากกรรมชรูปรูปนามทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังอยู่ใต้อํานาจของมานทั้งหมดเพราะยังเป็นอารมณะปัจจัยของอกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัยของอกุศลและผลของมหากุศลเหล่านี้ก็ยังให้ผลเป็น ชาติชราพยาธิมรณนะเพราะฉะนั้นวิบากของมหากุศลเหล่านี้อาศัยทำให้ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะไม่สมความป่าถนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงอยู่ใต้อํานาจของพยมานงั้นมายัางเป็นอารมณ์ของมานมีเท่าไหรนะน 5, 1, น 2, ่นะมานหหนึ่งกิเลสมานสองขันธมานอภิสังขารมานมาจัจจุมานและขันธมานเนี่ยนะ เทวปุตตมานเอาเทวดามานหนึ่งขันธมานสองกิเลสมานสามัด จ, จุมาเทวบุตตมานและขันธมานนั่นนะนะซหรือเปล่ า, า, า อ, อ่ะพี่สังขารมานว่าไปยังวางเอานับให้คบผ้ากันแล้วกัน <laughs> ต่อไปนะว่าฉลาดต่อสิ่งเนื้ออำนาจมาน สิ่งเนืออำนาจมารคืออะไรโลกุตระธรรมเหนืออำนาจมารนะโลกุตระธรรมเนี่ยนะมัคจิตผลจิตและนิพพานไม่เป็นอารมมนณะปัจจัยของอกุศลใดๆทั้งสิ้นบางท่านก็บอกว่ า, มาแมลงวันไม่ยินดีในของหอมฉันใดว่า ง, งั้นโลผ้าหรืออกุศลก็ไม่ยินดีในโลกุตระธรรมฉะนั้นนะคือมันมันอยู่เหนือวิสัยของเขาอะนะแต่ว่าโลกิยธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยนะทั้ง ก า, าวจรรูปาวจรและอรูปาวจรก็ยังเป็นอารมณ์ของบาปธรรมที่ที่กล่าวว่าอยู่ใต้อํานาจของมาเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีชาติเป็นธรรมดามีชาราเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดาแล้วอาศัยสิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมานาทและอุปาญาตานะนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกไม่เป็นที่รักของท่านเหมนกันท่านก็อย่าไปยินดีในสิ่งใดก็แล้วกัน ถ้ายินดีในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะก่อทุกข์ให้ทีนี้ต่อไปว่าไม่ฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมรรตยูสิ่งที่อยู่ใต้อำนาจมรรตยุก็คือความตายอะไรบ้างที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความตายได้บ้างโลกิยธรรมทั้งหมดนี่ถือว่าอยู่ใต้อำนาจแห่งมรตยุคือความตายโลกุตระธรรมทั้งหมดเหนืออำนาจแห่ง มรตยุแต่ว่าสมณะพราหม์พวกใดพวกหนึ่งเนี่ยไม่ฉลาดอย่างนี้ไม่มีความสามารถรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ฉลาดา ม, มูชนเหล่าใดจักสาคัญสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อก็คือไปฟังข้อมูลลทัทธิอันนั้นไปศรัทธาเลื่อมใสในข้อมูลลทัทธิอันนั้นต่อสมณะพราหม์เหล่านั้น ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อไรประโยชน์ไรประโยชน์อาจจะได้ประโยชน์นี้โลกนี้อาจจะพอได้เป็นบางอย่างใช่ไมศาสตร์บางอย่างเพื่อประโยชน์ในโลกนี้คือการครองชีพอยู่เนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้เกื้อกูลต่อโลกหน้าหรือไม่ได้เกื้อกูลต่อประโยชน์อย่างยิ่งคือพันธุ์พันนี่ฝ่ายไม่ดีนะ ฝ่ายดีก็บอกว่าพิกูุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบานชาวมคตผู้มีปัญญาถึงฤดูาศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้แล้วเริ่มต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัชฝากน้นโดยถูกท่าทีเดียวเขาขับต้อนโ ค, โคเหล่าอสุภะเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนาหน้าฝูงข้ามไปก่อน มันได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อนั้นจึงต้อนโคอื่นอีกที่ใช้การได้ที่พอจะฝึกใช้ได้ตอ่อมันมันก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อนั้นไปจึงต้อนโคผู้และโคเมียที่รุ่นขนองมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดี ตอนนั้นไปจึงต้อนลูกโคและโคที่สู้ผอมมันก็ได้ไหวตัดกระแสมแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีขนาดตัว้อมตัวเล็กๆคลอดในวันนั้นก็ข้ามได้เหมือนกันนะนะอาศัยหัวหน้าผู้ฉลพิสูทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นไหวไปตามส่งเสียงร้องของแม่มัน คลนะอดมันนั้นเองนะตามฝูงไปนะมันก็ได้ไวหา้ตัดกระแสมแม่นม้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีข้อนั้นเพราะไรเพราะเขาเป็นคนฉลาดจริงอย่างนั้นนายโคบาลชาวมคตเป็นคนมีปัญญานึกถึงฤดูสัตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวจตราฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้แล้วขับต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัตฟาโนน โดยถูกค่าทีเดียวคือเขาฉลาดในเขารู้ว่าที่สมมติว่าเขาจะรู้ว่าตรงไหนเนี่ยมีหาดทรายมีมีเกาะอยู่ข้างบกตรงกลางน้ำเนี่ยนะเขาก็จะให้มันพักไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, เ, อยเขาก็กำหนดทิศ ท, ทางไปก็ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้พิกสูทั้งหลายบรรดาโคอ่าพิกสูทั้งหลายสมณะหรือพราม พวกใดพวกหนึ่งที่ฉลาดต่อโลกนี้ฉลาดต่อโลกหน้าฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจบานฉลาดต่อสิ่งเหนื้ออำนาจมานฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมฤตยูฉลาดต่อสิ่งเนื้ออำนาจมฤตยูชนเหล่าใดจักสำคัญสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อต่อสมณะพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานเช่นนั้นเหมือนกันเพศโสทั้งหลายบรรดาโคอุสุภาพ เป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนําฝูงได้ไว่ายตัดกระแสแม่น้ำโคงขาดถึงฝั่งโดยสวัสดีแม่ฉันใดใครไปอินเดียมาแล้วเนี่ยสบายเลยนะนึกถึงภาพตอนไหนตอนหนึ่ ง, งได้ไหมถแถวเมืองวัชชีเห็นไหมพอนึกภาพบ อ, อกไหมนึกแม่น้ำโคงเอากันแล้วกันนึกแม่น้ําปิงเลยโอแม่น้ำนโคงนี่ก็กว้างโค้งเหมือนกันนะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์เสร็จกิจที่ต้องทำปรงภาระเสร็จแล้วสำเร็จประโยชน์ตนสิ้นสังโยชนในพบหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแม้ภิกษุเหล่านั้นตัดกระแสมารตัดกระแสมารถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นแหละเนี่ยเ น, ย เ, นยเรียกว่าโคอุสุภาเนี่ยนะที่ข้ามฝั่งได้เนี่ยก็คือภิกษุอรหันต์เนี่ยที่ข้ามฝั่งถึงบกไปเรียบร้อยแล้วเรียกพระอรหันต์ พิสูทั้งหลายโคที่ใช้การได้และโคที่พอจะฝึกใช้ได้ไายตัดกระแสมแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดพิสูนเราใดซึ่งผุดขึ้นและปรินิพานในชั้นสุดทาวาสนั้นไม่จำต้องวกกลับมาโลกจะเ อ, อมาจากโลกนั้นเพราะสิ้นสังโย์เบื้องต่ำห้าแม้พิสูจนหล่านั้นจับตัดกระแส ม, มาแล้วถึงฝั่งโดยสวัสดีนะโค พอใช้งานได้โคฝึกแล้วนี่ก็เป็นเหมือนปรับพระนาคามีพวกเรานี่ได้เป็นโคหรื อ, อยังลเนาะพอใช้งานได้หรือยังอนาคามีนะพอใช้งานได้อะพิกษูทั้งหลายโคผู้และโคเมียที่รุ่นขนองอ่าโครุ่นขนอ ง, งนะนะ ได้ไว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีแม่ฉันใดพิสูจน์เหล่าใดเป็นพระสะกท า, าคามีเพราะสิ้นสังโยตสามและทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวแล้วจักทาที่สุดทุกแม่พิสูจนเหล่านั้นก็จักตัดตรงกระแสมารถึงฝั่งโดยสวัสดีะนะก็บอกว่าโคผู้โคเมียรุ่นขนองเหมือนั้นแต่กาลังหนุ่มเหมือนั้น พวกนี้เหมือนพระอนาคามีาสากท า, าคามีพิสูุนทั้งหลายลูกโคและโคที่สู้้อมได้ไว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีแม่ฉันใดภิกษุเราใดเป็นพระโสดาบันพระสิ้นสังโยตสามมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ต่อไปข้างหน้าแม้พิสูุนเหล่านั้นก็ได้ ตรงกระแสมานถึงฝั่งโดยสวัสดีแม่โคผอมก็ยังเป็นไม่ได้เลยนะลูกโคและโคผอมยังไม่ได้เป็นเลยพิกษุทั้งหลายลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นไหวไปตามส่งเสียงร้องของแม่ได้นะไหวไปร้องไปเนี่ยนะตัดตรงกระแสแม่ น, น้ําคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีแม่ฉันใดพิกสุเหล่าใดซึ่งหน่วงธรรมะ หน่วงคาสอนว่างั้นเถอะและศรัทธาเป็นหลักมีศรัทธาในคําสอนเป็นต้นเป็นหลักเนี่ยนะแม้ภิกษุเหล่านั้นก็จะตัดตรงกระแสมารถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันั้นพอจะเป็นได้กับไอ้ลูกโคนี่น้องเนานะเพิ่งคลอดมาเนี่ย น, น, นะแต่ต้องหน่วงธรรมนะหน่วงธรรมและมีศรัทธาในธรรมขณะที่หน่วงธรรมมีศรัทธาในธรรมก็เหมือนกับลูกโคเพิ่งคลอดแล้วร้องตามแม่อของเราก็าร้องตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ภิกษุทั้งหลายตัวเราเป็นผู้ฉลาดต่อโลกนี้พระองค์ได้ฉลาดต่อโลกเนี่ยนะขันธ์โลกหนึ่งะเอ๋สังขารโลกโอกาสโลกสัตว์โลกโลกเหล่านี้พระองค์ฉลาดหมดฉลาดต่อโลกนี้ฉลาดต่อโลกหน้าฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมารรู้เรื่องโลกิยธรรมเป็นอย่างดีฉลาดต่อสิ่งเหนืออำนาจมารเนี่ยนะ ฉลาต่อสิ่งใต้อำนาจมริตยูฉลาต่อสิ่งเนื้ออำนาจมริตยูชนเหล่าใดจักสำคัญสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อต่อเรานั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสวยากรณะพดนี้แล้วภายหลังได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังต่อไปนี้ว่าโลกนี้โลกหน้าเรารู้อยู่ ประกาศไว้ดีแล้วเราเป็นสัมพุทธะสัมพุทธะแปลว่าอะไรพุทธะนี่มีกี่อย่างนะทำไมสีส่อย่างนะหนึ่งเอาม า, าตั้งกับตามๆก่อนไ ล, ล่จากต่ำไปสูงหนึ่งสุตตะพุทธะสุตตะพุทธะก็คือฟังแล้วก็รู้อริยสัจโดยการฟังสองสาว ก, กพุทธะก็คือตั้งแต่พระโสดาบาันเป็นต้นไปที่แทงตลอดอริยสัจเรียกว่าสาวกพุทธะสาม ปจเจกพุทธะสสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะพระ อ, องค์เนี่ยตรัสรู้โดยชอบคือถูกต้องและด้วยพระองค์เองเนี่ยนะอย่าลืมนะบารมี30มทมหาบริจาค5้ติดโสจริยาพระ อ, องค์นี้ทราบชัดโลกทั้งปวงซึ่งแออัดด้วยมารพระพุทธเจ้านี่ผู้มีความสามารถขนาดนั้นเนี่ยรู้หมดเลยแออัดด้วยมารมารหเนี่ยนะใครถูกขันธมาเล่นงานบ้าง ไม่ป่วยเลยๆขันธมานคืออะไรโรคภัยไข้เจ็บที่มันเบียดเบียนนั่นแหละเรียกว่าขันธมารและอ้างว้างจากมรรคตยูเนี่ยนะด้วยปัญญาอันยิ่งเปิดประตูอมะตะอันปลอดโปรง่งเพื่อบรรลุพนันนิพานพระองค์บอกว่าเปิดประตูอมะตะเนี่ยนะคำว่าประตูเป็นชื่อของของอะไรประตูแห่งพนันนิพานเป็นชื่อของอริยมรรคอริยมรรคเรียกว่าประตูแห่งพนันนิพาน เพื่อบรรลุพระนิพพานกั้นกระแส ม, มารผู้ลามกนะมารผู้มีบาสมางั้นขจัดกิเลสและกระทําให้หมดมานะพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทปราถนาพระนิพพานพระพุทธเจ้าบอกให้ปราถนานิพพานเลยนะซึ่งเป็นที่กเกษมพิกษุทั้งหลายพวกเธอเออซึ่งเป็นที่กเกษมพิกสูงหลายมางั้น ให้ปรารถนาอย่างนี้แหละเพระองค์บอกให้ปรารถนาอธิบายว่าพวกเธอเป็นผู้ปรารถนาพระอรหันตคือเป็นผู้ต้องการให้พระอรหันตเกิดขึ้นด้วยตนนะด้วยกัตโตกรรมยตาฉันทะนะตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระอรหันต์นะฝักไฟให้มีฉันทะอย่างแรงกลา้าเพื่อให้อรหัตมรรคเกิดขึ้นฉันทะมีกี่อย่างความพอใจเนี่ยนะ ฉันทะเรียกว่าความพอใจฉันทะมีกี่อย่างตัวฉันทะจริงๆนี่มีอยู่สอย่างเหนไหมนึ่งเขาเรียกว่าตันหาฉันทะพอใจหรือพอใจด้วยอํานาจของตันหาก็นับว่าความพอใจเหมือนกันสองทิฏฐิฉันทะตัวทิฏฐิก็เรียกว่าเป็นความพอใจอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็สมวิริยะฉันทะแล้วก็สุดท้ายเรียกว่าธรรมะฉันทะท่าน ธรรมฉันทะนี่ท่านประสงค์เอาฉันทะในธรรมอันเป็นกุศลของผู้ใคร่เพื่อกรรทาในทีน่นี้คือเป็นผู้ใคร่ที่จะทำอยากให้กุศลเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้เรียกว่าธรรมฉันทะอั น, นพระองค์เนี่ยสอนให้เจริญนะธรรมฉันทะอันนี้ธรรมฉันทะอันนี้เนี่ยมาจากไหนมาจากอัตกถาสัมมปทานเนี่ยนะสัมมปทานในในคัมภีร์วิพังเนี่ยนะซึ่ง ว่าเนื้อความในสัมมปทานเนี่ยกล่าวว่าสัมมปทานสี่คือพิสูจน์ในศาสนานี้ทําฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองความเพียรประคองจิตทําความเพียรเพื่อป้องกันบาปอากุศลลธรรมที่ยังไม่เกิดนะมิให้เกิดขึ้นทีนี้ท่านอธิบายคําว่าทําฉันทะให้เกิดมีนิเทศว่าฉันทะเป็นไนความพอใจ การทำความพอใจความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทำความฉลาดความพอใจในธรรมอันใดนี้เรียกว่าฉันทะภิกษุย่อมทำฉันทะนี้ให้เกิดให้เกิดด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดให้บังเกิดยิ่งด้วยเหตุนั้นจึง เ, เรียกว่าทำฉันทะให้เกิดทำไม่พอใจก็ต้องทำให้มันพอใจขึ้นมาใน สมัปทานนะเอามาเป็นตัวอย่างแค่นี้เพราะพระองค์เนี่ยสอนให้มีฉันทะมีจิตใจฝักไฝอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ให้ท้อแท้ไม่ใช่ให้เลิกราเป็นต้นเนี่ยนะนั้น อ, อ, อ, อ, อันนี้ก็เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นปฏิบักต่อทิฐิทั้งมวลเพราะฉะนั้นคำสอนอย่างนี้ก็ไม่ได้มีทิฐิอยู่ในนั้นแม่แต่อย่างเดียววางง่าไงไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นแม่แต่อย่างเดียว เพราะอัตตาอัตตาในที่นี้ซึ่งหมายถึงสกายะที่ทเนี่ยนะคือคําว่าอัตตานี่มีหลายความหมายนะเพราะอัตตาบางความหมายหมายถึงกุศล น, นะทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระกุศลก็เรียกว่าอัตตาเนี่ยนะที่พุพพทธพจนิวาดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง อ, อันนี้เขาเรียกว่าอันนั้นอนะหมายถึงโลกียากุศลและโลกุตระกุศลเรียกว่าอัตตาเหมือนกันแต่ การเจริญกุศลเหล่านี้ไม่ใช่อัตตาที่หมายถึงส ก, กายทิฐิอะไรเนี่ยนะที่ที่ท่านอาจารย์กล่าวยานยานสองอย่างนี่ที่อนุนพออนโพยา น, อ น, ยานอนุโภทยานกับปฏิเวทยานปฏิเวทยานเจนพอในอัตตะถาสัจจาวิพังกับในวิสุทธิมัตมีกล่าวไว้ <ừ. S 2> เรื่อง การแทงตลอดอริยสัจด้วยยานเนี่ยนะหรือการรู้อริยสัจมี2อยานใช่ไหมคือรู้อันนั้นรู้ตามเนี่ยนะก็คือนับตั้งแต่การฟังเป็นต้นเนี่ยนะเรียกวอนุโพธิยานอนุเนี่ยแปลว่าตามโพธิแปลว่าความรู้หรือความตรัสรู้ยานที่ตรัสรู้ตามนับตั้งแต่การฟังเป็นต้นไปการฟังการปฏิบัติการเจริญกุศลธรรมทั้งที่เป็นวิปัสสนาที่พิจนารณาเรื่องอริยสัจพวกนี้ก็ยังเป็นอนุโพธิยาน ส่วนปฏิเวทยานได้แก่อริยมรรคที่เกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัจเนี่นะซึ่งมีนิพานเป็นอารมณ์อันนั้นเรียกว่าปฏิเวทยาดูได้ในในสัจจวิพังกับในวิสุทธิมรรคสัจจนิเทศะนะ